เรื่องใบหวยกล่าวถึงเรื่องหวยกอขอที่มีขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินนีจะตานานการเลิกบอลเบีย้ยและเลิกหวยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพมูลเหตุที่จะตั้งอากรหวยขึ้นในเมืองไทยนั้นมีในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้ดังนี้ว่าเมื่อครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีถอพุทธศักราช 2,374 น้ำมากเมื่อปีมะโรงพุทธศักราช 2,375 น้ำน้อยข้าวแพงต้องซื้อข้าวต่างประเทศเข้ามาจ่ายขายคนก็ไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินต้องมารับจ้างทางานคิดเอาค่าข้าวเป็นข้าวแรงจเจ้าภาษีในอากรก็ไม่มีเงินจะส่งต้องเอาสินค้าใช้ค่าเงินหลวง ที่สุดคนจีนผูกปี้ก็ไม่มีเงินจะให้ต้องเข้ามารับทำงานในกรุงจึงทรงพระราชดำริแคลงไปว่าเงินตราบัวเงินตราครุฑเงินตราประสาสตคือเงินพดดวงที่ทำเมื่อในราชการที่หนึ่งสาได้ทำใช้ออกไปก็มากหายไปเสียหมดทรงสงสัยว่าคนจะเอาเงินไปซื้อฟินมาเก็บไว้ขายในนี้จึงโปรดให้จับฟินเผาฟินเสียเป็นอันมากตัวเงินก็ไม่มีขึ้นมา และจีนหงพระศรีชายบาลซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายอากรสุราเรียกกันว่าเจสวหงจึงกราบทูนว่าเงินนั้นตกไปอยู่ที่ราษฎรเก็บฝังดินไว้มากไม่เอาออกมาใช้ถ้าอย่างนี้ที่เมืองจีนตั้งหวยขึ้นจึงมีเงินมาจึงโปรดให้จีนหงตั้งหวยขึ้นดังนี้สำหรับผู้ที่ได้เป็นอากรหวยมีบรรดาศักดิ์เป็นที่ขุนบานเบิกบุรีรัฐ คนทั้งหลายจึงพาการเรียกนายอากรหวยว่าคุณบานเหมือนเรียกนายอากรบ่อนเบี้ยวว่าคุณพัดฉะนั้นและมีในจดหมายเหตุอีกแห่งหนึ่งนายกล่ำกล่าวไว้ในกรอนเพลงยาวกำเนิดหวยว่าเจสูหงแรกออกหวยเมื่อเดือนยี่ปีมาแม่ก็ต้องกระแสรพระราชนิพนธ์จึงยุติได้เป็นแน่ว่าการเล่นหวยแรกมีขึ้นในเมืองไทยในราชการที่สาม เมื่อปีมะแมจุลศักราช 1,197 ตรงกับพุทธศักราช 2,378 เมื่อแรกเจสัวหงธรรมกร น, นั้นโรงหวยตั้งอยู่ในกำแพงเมืองใกล้สะพานหันและภายหลังย้ายโรงหวยมาตั้งอยู่ริมสะพานข้ามคลองหลอดเหนือประตูสามยอดออกหวยเวลาเช้าวันละครั้งต่อมาไม่ช้าประสีวิโรดิต เห็นเจโซหงมีกำไรจึงราบบังคมทูลขอตั้งโรงหวยอีกโรงหนึ่งอยู่บางลำพูบนออกหวยเวลาค่ำวันละครั้งหวยจึงมีเป็นสองโรงเรียกกันว่าโรงเช้าโรงหนึ่งโรงค่ำโรงหนึ่งต่อมาหวยโรงพระศรีวิโรธทำการไม่เรียบร้อยที่สุดอกรหวยจึงไปรวมอยู่ที่โรงเจโซหงแห่งเดียวเป็นต้นเหตุที่จะออกหวยเป็นสองเวลา และคงเรียกตามมูลเหตุเดิมว่าหวยโรงเช้าเวลาหนึ่งหวยโรงค่ําเวลาหนึ่งมาจนกระทั่งเลิอกอากรหวยเกี่ยวกับอากรหวยกอขอแรกตั้งขึ้นในเมืองไทยในรัชกาลที่สพุทธศักราช 2,378 เลิกในรัชกาลที่6ประมวลเวลาอายุของอากรหวยกอขอตั้งแต่เกิดขึ้นในเมืองไทยจนกระทั่งเลิกลับดับศูนย์ ได้8ปอดปีสำหรับคำว่าเจ้สัวตามศัพท์แปลว่าคนที่มั่งมีที่มักหมายถึงเศรษฐีจีนมาจากภาษาจีนใต้จิ๋วว่าเจาสัวและคนไทยมาเรียกเพี้ยนไปเป็นเจ้สัวแล้วกลายเป็นเจ้าสัวในปัจจุบันเมื่อแรกจะเกิดหวยขึ้นในเมืองจีน มีผู้เอาชื่อคนมาตั้งเป็นตัวหวย34ตัวครั้นต่อมามีผู้คิดเพิ่มเติมหวยขึ้นอีกสองตัวเมื่อแรกหวยมีเข้ามาในเมืองไทยจึงมีจํานวนหวยเป็น36ตัวนั้นในเมืองจีนเขาเรียกตามชื่อคนที่สมมติเอามาเป็นตัวหวยที่โรงหวยทำเป็นฉากเขียนเครื่องหมายไว้หลายอย่างเพื่อจะให้คนแทงรู้จักหวยคือเขียนภาพรูปคน ซึ่งสมมุติเป็นตัวหวยอย่างหนึ่งเขียนหนังสือจีนกำกับรูปภาพบอกชื่อคนที่เป็นตัวหวยอย่างหนึ่งเขียนรูปสัตว์อันสมมุติว่าเป็นชาติก่อนของคนที่เป็นตัวหวยกำกับไว้ให้เป็นที่สังเกตด้วยอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อเอาหวยเข้ามาเล่นในเมืองไทยไทยอ่านหนังสือจีนไม่ออกและพูดจีนไม่ได้เห็นแต่ฉากรูปหวยก็รู้ไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนตัวไหนเจสัวหง จึงคิดอ่านเอาตัวอักษรไทยเข้าหมายกำกับเพื่อให้ไทยรู้จักตัวหวยดังนี้คืออักษรกไก่หมายถึงตัวอุปราชชื่อสามหวยชาติเป็นชนีอักษรขอไข่หมายตัวนายทหารชื่องวยโปชาติเป็นเตา่าอักษรขอขวดหมายตัวคุณ น, นางผู้ใหญ่ที่จองวนชื่อเจียมกวยชาติเป็นปลาและไล่ไปตามอักษรไทย จนถึงอักรฮานู oh ูเพราะเหตุที่อาศัยอักษรไทยเข้ากากับดังนี้รัฐบาลจึงเรียกว่าอากักษรหวยกอขอและพวกไทยที่เล่นหวยจึงมักเรียกตัวหวยด้วยชื่ออักษรและชื่อจีนกำกับกันดังเช่นว่ากอสามหวยขอ ง, งวยโปสหะไฮเป็นต้นบางตัวก็คำไทยใช้แทนชื่อจีนเช่นว่าจอหลวงฉีชอขายหมู ต่อเรือจ้างบางตัวก็เอาภาษาไทยเข้าแทนทีเดียวดังเช่นพอผีฟอไฟชนนี้ก็มีแต่ส่วนจีนถึงจีนในเมืองนี้เขาเรียกชื่อตัวหวยตามแต่ภาษาจีนว่าสามหวยและงวยโปเป็นต้นหาจีเรียกตัวอักษรไทยด้วยไหมหวยครั้งเจสูหงนั้นกำหนดให้แทงด้วยตัวระบาดเป็นอย่างมากใครแทงถูกก็เอาโพยไปขึ้น เอาเงินที่เสียียนใช้ให้30สิบต่อแต่ไม่คืนทุนเดิมให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกคงได้แต่29ต่อข้อใหญ่ใจความอันสำคัญของคนแทงหวยก็คือที่จะคิดให้ถูกว่าหวยจะออกตัวใดแล้วดักแทงหวยตัวนั้นการเลือกตัวหวยที่จะแทงนี้เรียกว่าหาหวยดีมีวิธีของนักเล่นหวยหลายอย่าง บางคนก็คิดเดาวใจคุณบานว่าจะออกหวยตัวใดตามตาราการพนันที่เรียกว่ากิดโสรสบางทีก็สืบถามตรวจตราหาเขาเงื่อนว่าคุณบานจะออกหวยตัวไหนในวันหนึ่งวันใดมีวิธีหลายอย่างเหมือนกันเบื้องต้นก็คือพยายามที่จะถามตัวคุณบานเองคุณบานถูกถามรำคาญจึงจ้างคนคิดใบหวยลวงบอกไว้ที่หน้าโรงหวยทุกวัน กล่าวกันว่าอาจารย์หวยเมื่อจะบอกหวยให้ผู้ใดต้องบอกใบให้ผู้นั้นคิดเอาเองถ้าบอกให้ตรงๆงวิชานั้นจะเสื่อมความขลังแต่บางคราวคุณบานถูกผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอ้อนวอนถามบอกใบให้จริงๆรงิเขาแทงถูกก็มีบ้างอย่างพวกที่หาหวยดีโดยทางวิทยาคมเช่นบนบานขอหวยต่อวัตถุและบุคคลที่นับถือว่าศักดิ์สิทธ์ก็มี แม้ที่สุดจนพระพุทธรูปหรือต้นไม้ก็มีคนไปอธิษฐานขัดถูรอยตัวหวยเพื่อจะผุดโผล่มาให้บ้างยังมีการขอหวยดีโดยวิธีอื่นอื่นอีกจะงดไว้จะยกตัวอย่างแต่ที่ขอต่อบุคคลและไม่กล่าวถึงพวกอสัตย์อาลาชีที่ให้หวยเขาโดยมิชาชีพบางทีคนดีๆเช่นพระสงฆ์ซึ่งคนทั้งหลายนับถือคุณวุธถ้าองค์ไหนชอบพระพิแปลก ก็มักมีคนเลยเข้าไปว่าท่านใบหวยให้ทานดังเช่นเจ้าประคุณสมเด็จท่านมักชอบประพืชแปล ก, ปลกเมื่อพวกนักเลงหวยเห็นท่านประพติแปลกๆอย่างนั้นก็จับเลสไนมาคิดแทงหวยถูกกันเนือ ง, งจึงเกิดเรื่องลือว่าเจ้าประคุณสมเด็จใบหวยแม่นด้วยประการชนีอันเรื่องเกี่ยวกับเจ้าประคุณสมเด็จใบหวยนั้นได้ฟังเล่ากันมาหลายเรื่องจะเขียนลงไว้แต่บางเรื่องดังต่อไปนี้ เรื่องที่หนึ่งเจ้าประคุณสมเด็จได้จัดสิ่งของเครื่องกรถินแล้วลงเรือแจวขึ้นไปว่าจะไปทอดกรถินที่วัดแขวงจังหวัดอ่างทองไปจอดพักนอนอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งขโมยขึ้นลักเอาเครื่องกรถิ่นไปหมดท่านตื่นขึ้นแล้วดีใจเลยให้กลับล่องมาใครถามว่าท่านทอดกรถินแล้วหรืออย่างไรท่านตอบว่าฉันได้บริจาคแล้วฉันขอแบ่งส่วนบุญให้นะจ๊ะครั้นมาถึงบ้านบางตะนาวสี แขงจังหวัดนนทบุรีท่านได้ซื้อมอบรรทุกเต็มเรือมาใครถามว่าซื้อไปทำไมท่านตอบว่าเอาไปแจกชาวบางกาะเ็าจะแล้วก็แจกมอนั้นเรื่อยไปเข้าคลองบางลาพูออกคลองสะพานหันแล้วจ่าวขึ้นไปจนถึงวัดระฆังเขาว่าวันรุ่งขึ้นโวยออกตัวมอหันหุ่นเชิดตือออกตัวมอมาทั้งเช้าค่า เรื่องที่สองเขาารัธนาเจ้าพระคุณสมเด็จไปเป็นอุปชาบวชนาคที่วัดสามปลืม้มหรือวัดจักรวัดในปัจจุบันว่นานาคนั้นชื่อกรุดโยมบิดาเจ้าคุณพระธรรมมวโรดมอยู่วัดสาเกตซึ่งต่อมาได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อพุทธศักราช2506ถึงเวลาท่านก็ข้ามไปเขา อ, อขาคารหามารับท่านที่ท่าท่านขึ้นคานหาม มีคนกั้นสัพ ป, ปทนถวายไิตามทางเวลานั้นเพอเอิญมีลมพัดแรงพัดเอาสัพ ป, ปทนที่กั้นหมุนไปท่านก็ทำหมุนไปบนคานหามตามสัพ ป, ปทนนั้นท่านจะบอกใบหวยหรืออย่างไรไม่มีใครทราบแต่ว่าในวันรุ่งขึ้นหวยออกตัวมอหันหุ่นด้วย <S <S เรื่องที่สาม จะประคุณสมเด็จมาที่วัดมหาธาตุด้วยธุระหนึ่งไปคอยอยู่ที่ประตูวัดทางที่ท่านจะออกพอท่านออกไปถึงพระองค์นั้นก็กราบเรียนว่ากระผมจะมาขอหวยหลวงพ่อเขาลือกันว่าหลวงพ่อให้หวยแม่นท่านตอบว่าจะมายอชันเลยจ่ะและท่านก็หลีกไปเขาว่าวันรุ่งขึ้นหวยออกตัวยอห้องชุนและตัวจออันสือแต่พระองค์นั้นก็ไม่ถูก เหตุผู้อ่านสําหรับการถูกหวยนั้นต้องเป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรมนะครับว่าคนจะถูกได้นั้นต้องถูกด้วยบุญเก่าของเขาเท่านั้นและต้องเป็นบุญประเภทที่เคยแจกของให้ของใครไว้ทําให้เขารู้สึกเหมือนได้โชคดีได้ราบลอยเช่นเดียวกันถ้าคนไม่มีบุญต่อให้มีคนใบห้หวยแม่นจริงหรือให้เลขตรงๆก็จะมีเหตุให้ซื้อไม่ได้ ซึ่งในทางธรรมนั้นการซื้อหวยไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะประกอบด้วยจิตที่เป็นอกุศลทั้งขณะซื้อและหลังซื้อในทางที่ถูกนั้นต้องศรัทธาในกฎแห่งกรรมศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าทําดีต้องได้ดีความขัดสนยากจนนั้นหากทําความดีให้หลากหลายให้มากพอบุญกุศลจะนําซับมาให้ในทางใดทางหนึ่งและขจัดปัญหาที่กําลังติดขัดได้อย่างง่ายดายและเป็นทางที่ถูกต้องตรงธรรม เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ผลแน่นอนและมั่นคงกว่านะครับเรื่องที่สี่มีเด็กหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งพายเรือเข้าไปขายขนมจีนในคลองวัดระครังซึ่งกุฏิเจ้าประคุณสมเด็จอยู่ดินคลองนั้น่านได้ให้เสดซื้อขนมจีนมาฉันสองจานเสร็จแล้วจะชำระเงิน เด็กหญิงนั้นบอกว่าไม่รับเงินขอทวายหลวงปู่ท่านว่าขนมจีนสองจานนะแม่หนูแม่เด็กหญิงนั้นจะกล่าวอย่างไรอย่างไรท่านก็ยังพูดย้ำอยู่ว่าสองจานนะแม่หนูสองจานนะแม่หนูจ น, นหนจนเด็กหญิงนั้นพายเรือเลยกุฏิไปแล้วท่านก็ยังร้องบอกไปดังนั้นอีกเมื่อกลับถึงบ้านเด็กนั้นได้เล่าเรื่องให้บิดามารดาฟัง บิดามารดาจะคิดกันอย่างไรไม่ทราบได้แทงหวยตัวจออันเสือทั้งเช้าค่ำก็ถูกได้เงินหลายร้อยบาทหมายเหตุคือจากคำใบสองจานก็คือสองจอแล้วก็ออกตัวจอทั้งเช้าและค่ำสองครั้งจริงๆเรื่องที่หเจ้าจประคุณสมเด็จเปเทศที่วัดบางประกอก จังหวัดธนบุรีโดยเรือเก๋งก่อนที่ท่านจะไปเทศนั้นหวยได้ออกตัวคอระคังยิสัวและตัวพอกินปิ้นมาแล้วขากลับพอถึงปากคลองบังกอกใหญ่ท่านได้ออกมายืนที่หน้าเกงเรือมือหนึ่งถือผ่านหมากซึ่งเป็นทองเหลืองอีกมือหนึ่งเอาสากต่ำหมากครอบผ่านนั้นพร้องกับร้องบอกว่าฉันกลับมาแล้วจ่ะฉันกลับมาแล้วจ่ะตลอดทางจนถึงวัดระกังในวันรุ่งขึ้น หวยออกตัวคอยิ้สัวกับตัวพอกินปินซ้ำอีกเรื่องที่หกว่าในปีหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จได้แต่งวัดรับเสด็จกระถินเอาตุกตากระดาษที่เขาทำเป็นรูปช้างมาตั้งเรียงรายตามกำแพงแก้วพระอุโบสถพวกนักเลงหวยที่ไปในกระบวนพระกะถินนั้นเอาช้างเป็นนิมิตแทงตัวชอชิงชอช้างชอเชอ ในวันรุ่งขึ้นหวยออกตัวชอเชอร์มีคนถูกกันมากเรื่องที่เจเจ้าประคุณสมเด็จข้ามฟ้าไปฝั่งพระนครด้วยกิจธุระอย่างหนึ่งพบชายหญิงสองคนผัวเมียนั่งอยู่ในเรือซึ่งบรรทุกแตงโมเต็มลำจอดอยู่ที่ท่าข้างวัดหลวงทั้งสองคนนั้นมีอาการสอว่ามีความทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ถามได้ความว่าบรรทุกแตงโมมาขายหลายวันแล้วก็ยังขายไม่ได้เป็นทุกข์กลัวจะขาดทุนท่านจึงรับซื้อแตงโมนั้นทั้งหมดเมื่อให้สิทธิ์ชําระเงินแล้วท่านได้บอกคืนแตงโมให้เป็นสิทธิ์แก่ชายหญิงนั้นแล้วหลีกไปข่าวเรื่องเจ้าพระคุณสมเด็จซื้อแตงโมได้แพร่สะพัดไปโดยรวดเร็วราวกับไฟไหม้ป่าว่าพวกนักเลงหวยถือเอาแตงโมเป็นนิมิต แทงตัวมหุนหันก็ถูกเรื่องที่8มีชายคนหนึ่งอยากแทงหวยจะไปข อ, อกับเจ้าพระคุณสมเด็จก็เกรงท่านจึงให้บุตรชายอายุราวเจ็ดปดขวบไปขอพอเด็กนั้นบอกขอหวยท่านก็ทาหน้าตาเธอมือถึ ง, ถงจนเด็กนั้นตกใจกลัวกลับไปเล่าให้บิดาฟังว่าท่านไม่ให้หวย แต่ท่านทำหน้าเหมือนยักษ์เขาว่าบิดาเด็กนั้นได้แทงหวยตัวยอยักษ์ก็ถูกรวยมากเรื่องที่เกหลวงสวัสดิ์นครเรษกล่อมจันทนบุภาเล่าว่าเมื่อเป็นเด็กอยู่วัดระฆังวันหนึ่งไปเล่นกับเพื่อนเด็กๆที่ในลานโบสถ์ได้เห็นเจ้าพระคุณสมเด็จมือถือย่ามใบเล็ก อีกมือหนึ่งถือย่ามใบใหญ่ลากไปรอบรอบโบสถ์ทั้งตัวหลวงสวัสดและเด็กอื่นๆต่างเห็นแปลกและขบขันได้ไปบอกเล่าให้ใครตัวใครอีกหลายคนฟังในวันรุ่งขึ้นหวยออกตัวยอย่องเซ็งและตัวยอห้องจุนกล่าวนั้นว่ามีคนถูกกันหลายคนเรื่องที่สิบนางพุก สวัสดนักเรพเล่าว่าเมื่อยังเป็นเด็กไว้จุกอายุอยู่ในราวส2บสองขวบที่ตรอกเจสวเนียมคือตรอกอิสารานุภาพจะประคุณสมเด็จไปเทศในงานนั้นด้วยแต่ก่อนจะเทศเจ้าภาพได้ถวายไตรให้กรองไตรหนึ่งขณะที่กำลังกรองไตรนั้นมีหลายคนได้เห็นท่านค่าเชือกปอแทนรัตประคตเอวต่างรู้สึกนึกขบขันที่เข้าใจว่าท่านใบหัวให้ก็มี ในวันรุ่งขึ้นไว้ออกตัวปอ ก, กังสือแต่จะมีใครถูกบ้างหาทราบไม่